แจ่งขัาวเปิดสามข่าวดีข่าดีไม่ได้ไปลดแบบเยอรมันไม่ใช่เพิ่งคุยมันเป็นภาษาอะในประเทศเขาประเทศเยอรมันรอบๆเมันงปราการประตู พอถ่วงราาัฐบาลถึงไปลีมไปลืมมาอะไสมมตไปช่งปวงนี้ยี่สิบกวัากับไปสิบวันทําอะไรไม่ได้ปรากฏว่าสารน้ําปินล้าง ไม่คนเขา้าคุณออกเขาะว่าทวงเศรษฐกิจมันไปกันทางเียวกันไปเสิร์ฟนมจากสงข้ามโชคดีว่าไปค่าตัวก็แพงมากล่าสุดหกเจ็ดหมือนมั น, มนพระกอบก็ซื้อทั๋วแล้วไม่เคยมีมาก่อน ใกลๆเขาเ้ามาแล้วไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็นข่าววนี่ที่ฝรั่งเศสขับไร่ผู้นศาสนาได้เป็นหารุนแรงที่ไปต่อตามืนแวกฝรั่งเศสนี้เขาข้างอยู่เคร่นกันลงตร ง, น, งนังกันเองผู้นจะเป็นนายิสลา มันไปเกี่ยวกับอิสราอลาเลสไต์มันไปลงตัวนั้นกันเลทั้งนี э <subscribe> ้ไม่เกี่ยวกับกําลังประเทศพิศศาสนาเดียวกันเชื่อสาเดียวกันมันก่อควรอยู่ยุในพิศาสนาเราพิศศาสนาเดียวกันไม่ไปไปการสงครามกับศาสนาไหนไม่ไปช่วยกับใคร ไม่ถึงในระบว่งาศาสนาไม่ได้คนอื่นมาทำลายทำลายจนไม่มีอะไรเลยเข้าอินเดียอินเดียหมดเข้าศีรั่างการ่รางกาหมดหมดจนไม่มีพระที่จะบวชเขาแค่พระครอบจํานวนบทยังไม่มีศีรษรังกายท่านเลยค่ะถามว่า พราะธาตุอยู่ได้ยังไงวัด <c oughs> แรกที่เราไปเอาเขาอยู่เขาอยู่บนดอยอยู่บนดอยบ น, ยบนขเขาตอนนี้ยังจําไม่ได้ ม, มันไกลไกลจากเมืองลวงมากวัดเล็กๆนี้คือพบว์วัาติชาสนาถเราไปอา่านไปศึกษาร <c oughs> ่น้ำตาจะไหล ศาสนาเรามันไม่ได้สูญหายโดยไม่มีสาเหตุสูญหายโดยสงครามแต่ไม่เคยพูดถึงมันหายไปจากตอนดอกกลางได้อย่างไรศาสนาพุทธเราจะรุง่งเรืองไปถึงโน่นที่จัตุรัสตะวันออกกลางที่เชียงกาง ปจจบันหนึ่งไม่ได้ศาสนาอื่นก็ะโจนไม่ได้เราระยะถ้าเราอะไรมันจะเป็นกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนระหว่างศาสนาแต่มันก็เป็นความจริงงานผู้ศาสนาเราพูดตั้งแต่วันแรกเรือนว่ามันมาค่ะว่า การเผยแพรไปไประกาศศาสนาต่องไม่ธียนกันพุทยาพุชเทียไม่ปวูาโดนุปกาติอย่าไปหาวร้ายว่าร้ายให้ได้เขาเราพูดถึของเราอย่าไปกระทบกระาำให้สำรวแจะปฏิโมกอยู่ในเสนาสนะอาชญัดที่เงียบบาเพนเพียน ทางจิตวิธีตุการเมื่อพุทธยองเรามองเห็นการไกลพูธยองเราเป็นมองเห็นทั้งอดีตทางปัจจุบันแนละอนาคตหมายถึงญาณของพระองค์ทั้งสามอย่างสามเรื่องนี้เรามองเห็นแต่พวกเรามองไม่เห็นเราแค่ปัจจุบันเราก็เอาตัวรอดยาก พภาคช้าวบอร์ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องเวลาถ้าจะแบ่งเวลาถ้าจะย่อเวลาทั้งหมดอดีตอดีฮอปัจจุบันทุกกระดลางอยูปัจจุบันที่มันโล่งไปแล้วคืออดีตที่ยงไม่มาถึงคืออนาคตในวันเดียวกัน มันเป็นตั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันทุกขณะทุกวันมีนชาระแบ่งเวลาเพื่อให้มองเห็นชัดเจนเวาของมนุษย์ไม่ได้เยอะจะเป็นชีวิตของดระมวัยมัธยมวัยปัชิมวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยสุดท้ายก็เหมือนกับของวันกองันก็ริ่ ต, ต้นของชีวิต าเช้ามีคการรำต้นโจทย์กโจแช่ตื่นขึ้นมาเสียงโลกเสียงกาําต้นชีวิตใหม่เหมือนกับพวกเราอย่างนี้ทุกวันถึงเที่ยงกลางเที่ยงคือกลางสายบ่ายค่ำก็หมดกลางกาก็น้ำก็มืดชีวิตเราก็มืดละนั่นเป็นวงจรของชีวิตของพวกเรา ก็แปลว่าชีวิตของเราไว้ต้นไว้กลางไว้สุดท้ายสุดท้ายก็มืดมืดก็หมายความว่าชีวิตอกจากรางแล้วก็หมดแต่ว่าโชคดีทีทสักครู่เดี๋ยวเรากลับนอนกันแล้วจริงๆมันก็คือช่วงอืดอัดอช่วงที่มองไม่เห็นอะไรร่างกายสังขารที่มีอยู่ มีแต่อยู่เดียวคือนอนจะที่เคยเยินเดินนั่งเหลืออย่างเดียวคือนอนแต่ว่านอนด้วยความไม่มีสติมันก็อยู่ได้พอนิดนิดคือความฝันคนตายก็เป็นเรว่ากรรมนิดนิดเองอะไรมันก็ว่าเป็นเรื่องเวลาเป็นตุเป็นตะไปเรื่อย ภาวะเ น, นี่ยคือภาพเ น, นคือพบจริงๆแล้วมพบมันเกิดในโอกาสนะครับว่าพบพบเกิภาวะภาวะคือภาพภาพทะไมันเกิดตลอดในขณะกลางวันมันก็เป็นพบกลางคืนก็เป็นพบคือภาพของเองกลางคืนมันก็มีภาพแต่ว่าภาพนั้นมันไม่ได้มองเห็นด้วยตาตาเนื้อตาหนุ่มมันเป็นตา ที่เป็นข้างในเปลว่มามโนมโนคือใจมานาคือใจมโนภาพก็คือภาพทางใจในขณะที่ใจมันคิดอะไรคือมามันก็ออกเป็นภาพแต่ดีถ้าคิดดีมันก็ไม่มีปัญหาแต่คิดไม่ดีในขณะนั้นภาพมันก็ไม่ดีเพราะนั้นใ จ, จำสำคัญมากมาก ถ้าเคยฝึกใจตัวเองไม่ได้ก็กลุมใจตัวเองไม่ได้นั่นคือเหมือนฝันเราควบคุมไม่ได้มันถึงไม่แปลว่าทําไมชีวิตหลังความตายเราลองควบคุมไม่ได้ไปแค่สวยไม่่าจะเป็นพบใดก็ตามในสภาวะใดก็ตามมันควบคุมไม่ได้ก็ไปแค่เสวยลูกหยาวันนี้มันไม่มีมีแต่โลกละเอียดที่ยึดไปเหมือนเราฝันนั่นแหละ ฝันเป็นเรื่องเปราวเป็นตัวกป็นตาเห็นคนนั้นเห็นทิ้งไปเห็นจริงๆแต่ว่าตื่นกับนมางอรู้โอ้ฝันอาไปภืกตาข้างไหนพอตื่นมาก็อยู่ความจริงไปช้ามาไปอยู่ความจริงของภาษะทั้งหมดมันก็เกิดมันก็ทาหน้าที่ในขณะนั้นถ้าเราไม่ได้ขยับตัวคือสติไม่กลับมาหาตัวเอง แม้แต่อุจจาระปัสสา ะ, ะมันก็ไม่รู้สึกคือเวกนานม่เองพอขยับตัวเพราะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าปดหนั ก, กปดเบาเพราะมันรู้สึกข้างนอกพอขยับตัวุบมันจะรู้สึกว่าเราพลิกตัวสสพอจะพักมันก็ดับพอรู้สึกมันก็ดับอีกเวทนามันอยู่ตรงนี้เวทนามาทําหน้าที่ทันที อย่ารูปแล้วก็เวลานาวันนั้นในขณะที่เรานั่งก็เช่นเดียวกันถ้าเรานั่งแล้วจิตมันสงบอยู่ข้างในโดยพอก็คืออัปปนาสมาธิอุปจารสติอย่างมีสติของว่างเออัปปนาสมาธิแต่มันจะไม่รู้ร่รางกายสังขารสังนอกบนตกพาร้อง แต่ว่ากายมาทําหน้าที่ของ ม, อมันร้อนมันก็เหงื่อแตกเหมือนเดิมคืออื่นเหมือนพอสติของร่างออกมารับรู้เปลือหขอกายก็มันทําหน้าที่ของมันเวทนามนทนาทําหน้าที่ต่อทันทีรูปเวทนามันจะรู้ว่าสุขาทุกขารู้ว่าเฉยเฉยมันไม่ได้ไดแต่เราจะอยู่กันกับมันเราจะอยู่ยังไงกับเวทนานนั้น เราก็ปฏิเสธเวทนานะั้นคือความจริงเช่นทุกขค่ะพอเกิดขึ้นก็พื้ออัดขัดของรับไม่ได้แล้วก็ตะกุะวาเวทนาสุ่ขาเวทนาเกิดขึ้นก็ติดคือชอบอยา้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอนยะ่างนั้นแต่ที่วางได้มันเฉยๆโอเขาวเวนามันไม่เกิดพรอารมณ์ที่เป็นเกิดจากสมาธิมันมีถ้าสมาธิมันไม่มันก็วางไม่ได้ แปลว่าทำนั้นเกิดปัญญาหวังไม่ได้เมื่อวังไม่ได้มันก็อยู่แค่สุขกับทุกข์ที่มันปรากฏแต่มันอยู่ยากสุขทุกข์ไม่ว่าจะเรียกว่าติดหรือไม่ติดก็าตาากก่างโดยเฉพาะยิ่งคือทุกข์คือลําบากทุกข์คือเต่มันเป็นเวทนาจึงตามชื่อว่าทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาอุเบกขาเวทนา จริงๆแล้ว ung, <ráp> ida, ตัวเวทนาแปลว่าการสบถทุกขเวทนาคือสวยทุกสุขเวทนาคือสวยสุขอุเบกขาเวทนาคือสวยอุเบกขาคือวางคือวางอารมณ์นั่นคือตัวที่สองในขันห้าก็คือรูปเพราะฉะนั้นรูปเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากาแล้วสามารถที่เห็นได้ก็ได้ต้องได้คิดได้เห็นได้ด้วยตารเนื้อการหนังตาธรรมดา แต่เราก็ยังไม่เข้าใจแม้เข้าใจกระบวนการของมันเมื่อแม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะแจกได้ว่าอันนี้คือดินอันนี้คือน้ําอันนี้คือไฟอันนี้คือลมสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเดียวกันกลายเป็นเขากลายเป็นเรากลายเป็นรูปคนยึดไปตานี้ยึดไปตางคนนั้นคนนี้คนนู้นตา ม, ตามชื่อตามสมมติเขาตายไปแล้วก็หมดมันกระเด็นดินน้า ลมก็ไม่มีส่วนที่เป็นจิตที่เป็นนามมันไปต่อส่วนร่างกายก็จัดการกันไปก็อยู่ข้างหลังเหมือนฝั่งลนตอนเนี้ยกับพลานาเป็ น, นกุศลอกุศลกับพลานากันไปอย่างาาากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากดารนาเขาพูดเรื่องนี้แหละเขพูดเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องที่เป็นอกลางอันเดียวกันไปพูดตอนไหนไปสวดตนไนก็อันเดียวกันนี่แหละ พนั้นถึงถือว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เปเรื่องสำคัญสาหรับชีวิตเราในชีวิตประจำวันนั้นเบื้องต้นจัดระเบียบรูปร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานจะเป็นสินค้าก็คือไม่มาตรฐานรา่สิ่งที่มาตรฐานก็คือรัตนใจเป็นหลักเราจะนึกถึงอะไรกับรัตนใจเป็นล คุณของผู้ศึกษาคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เป็นหลักเลยพนักก่อนที่จิตมันจะดับคือหลับนอนนั่นแหละขอให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเอาไว้อันนึกถึงสิ่งที่ดีเอาไว้คิดมันจะยุบโหขับสิ่งที่มันดีดีมัดไว้แต่สิ่งที่ดีดีกว่าเราคิดอะไรไม่ได้เลยพงศานลำคาญ ก็หลับไปพร้อมกับสิ till atch, till so hing, ่งตอนนี้ก็คุณมัวเศร้ามองกิเลสะก็ทําจีใจเศร้าหมองไม่ตกควาตืินขึ้นมาหลับๆตื่นๆคือหลับไม่สนิทครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตที่มันหลับไม่สนิทนั่นแหละเราจึงเกิดภาวะอะไรเรว่าฝันเราบอกผวาหวังค่ะจิตมันหลับับตื่นๆมันหลับไม่สนิทเหมือนภาวนาภาวนาถ้ามันลงลึกสนิทมันจะไม่มีนิมิต มันจะได้เห็นคล้เหมือนกันเลยกำลังกำนอนเหมือนกันเลยเรานอนหลับๆตื่นๆความฝันมันเกิดตรงนี้เป็นเป็นนิมิตในขึ้นหลับขึ้นตื่นการนั่งสมาธิก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกันนั่งสมาธิคือสมาธิมันแตกต่างโดยที่ว่ามีสติแล้วก็เกิดปัญญาสามตัว สามเกลอคือสติสมาธิปัญญาเขาทำราทีได้แต่คนหลับนอ น, น, นมันไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิก็มีปัญญาก็ไม่มีหมดเลยหมดสภาพหลักือมันไม่เกิดอะไรเลยไม่มีความดีความไม่ดีเกิดขึ้นวันวั น, วนหนึ่งหมดไปกี่ชั่วโมงกับการหลับนอนเจแปดชั่วโมงความดีความไม่ดีไม่เกิดขึ้นเลย แตว่โชคดีมันได้พักร่างกายมันได้พักจินมันได้พักนั่งสมาธิเหมือนกันถ้าใครทําได้สิบห้านาทีสามสิบนาทียี่สิบนาทีพอนอนลมายมันก็สดชื่นมันเหมือนกับคนนอนหลับมันไม่เครียดไม่ง่วงครูอาจารย์มันก็อยู่อย่างแปบเดียวอยู่ผู้ที่อย่างของเราไม่ได้นอนเยอะอย่างพวกเราะ ผู้ใจของเรานอนกี่ชั่วโมงจำวัดกี่ชั่วโมงพอวค่ำกลางวันให้เวลากับเวเัยศสัตว์หรือพุทุชนคนทร่วไประสององเลนตั้งแต่เช้าเอาถึงคำ่ำพอค่ำมาช่วงดึกก็โปรดเวเนยสัตว์ทวดาใกล้รุ่รงพิจารณาบุคคลไหนที่เข้าขาย ที่พอได้พอมีบารมีใครจะเต็มแล้วเพราะนั้นเวลาของพระองค์จริงมีน้อยนะมากเม้่ในวัย7จ8ดสิบปดสิบปีแล้วพระองค์ก็ใช้ชีวิตอย่างนรานนั้นเราก็เอาคูเช่าเป็นตัวอย่างบ้างบางเรื่องไม่ใช่ว่าละเลยเปิดปากละเลยไม่สนใจปากบอกพู้ทางสนังกระชานี้ แต่ไม่ได้มาเอาปฏิปทากิจวัดขอ้อวัดเพราะนั้นครูบาอาจารย์สายเราเนี่บอกกิจวัดข้อวัดเนี่ยเป็นเพื่อกำจัดกิเลสหยาบกิเลสที่มีอยู่แบบหยามๆสามารถกำจัดได้ด้วยกิจวัดข้อวัดท่านเป็นขยันบอกให้ทํากิจวัดข้อวัดไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเป็นบงบอก เราสบายเกินมันไม่ต้องทําอะไรวันๆหนึ่งมันสบายไม่มีความดีเกิดขึ้นกับตัวเราเลยอย่างน้อยที่จเกิดขึ้นไหวพระสวดมนตก็เป็นการพาวนาพุทธคนณธรรมคุณสังฆคุณก็คือพระรัตนาใจนั่เองหากนั้นกับนั่งสมาธิอันนี้ไม่ต้องไปห่วงว่ า, า จ, จะเป็นมันจะมีสินไม่มีสินขอสินไม่ขอสิ น, ส น, สนมันเป็นสินทันทีในภาคปฏิบัติ อ้งลงเมื่อไรกายมันหยุดวายจามไมหยุดเป็นสินทันทีเลยอย่าไปคิดว่าเนี่ยเราไม่ได้ไปขอสินไม่ได้สมาทานสินไม่เป็นศิลมันเป็นศินทันทีเนี่ยสินในภาคปฏิบัติมันค่ายในภาคปฏิบัติริงจริงเราลมต้นเลยสินสมาธิเปัญญางสามเรื่องสามอย่างสามข้อเนะี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงต้นบาทเดียวก็ไม่ต้องไปลงต้นแต่เรากลับไปเนเ้นที่ทาน มุ่งปที่ทานเป็นหลักสารพัดทานทานมากทานน้อยทานมากได้มากทานน้อยได้น้อยาาก็พัลลานาคันไปจนหลงทานจนติดทานแ้วท่านได้ของดีกว่านั้นประสปิทธิปัญญามาดีที่สุดเรากลับไม่ค่อยสนใจเอาใจคาทานเป็นหลักมาก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ประสิทธิปัญญาเนะ่ยมันมเกิด มุดสินสิธิปัญญามันไม่เกิดสภาวะจิตของเราจะเป็นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่พื้นฐานของสินตอวที่ปัญญาไม่มีมันก็ทนไม่ได้นั่นคือสภาวะเร็วทุกข์เกิดกับใครก็ทนไม่ได้เะนั้นอยู่ที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำเราจะอยู่ยังไงเบื้องต้นนียมันทุกข์น้อย ไม่มีทุกเลยมันไม่มีเราตั้งไว้อย่างนี้ใครที่ไม่มีทุกเลยไม่มีเพรา ะ, ะนั้นอย่าไปคชิดในทุกที่มันไม่มีคิดงานมันเป็นไปในด้านมันมีทุกคนอยู่แต่ว่าใครจะทุกมากนะ้อยอยู่ที่วิธีการจัดการกับความทุกข์นั้นนั้นได้มากนะ้อยกางไห น, นแล้วก็ประสบการณ์สำคัญสาหรับคนที่ประสบการณ์เลย ทุกเช่นเรื่องความตายเป็นต้นรับไม่ได้อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้เนื่อกับว่าทุกมันบีบคั้นจนไม่อยากมีชีวิตถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตลําบากแต่ถ้าเราคิดว่าทุกเนี่ยมันมีทุกคนไม่มีใครไม่มีไม่ใช่มีเราคนเดียวแต่ว่ามีแล้วใครจะจัดการกับทุกันให้ได้ ในระดับใดนั่นต่างหากและพระองค์ก็บอกว่าพุทธเจ้าก็บอกว่านะทุกในคือเหตุทั้งหลายมันมีเหตุของมันเหตุของทุกคืออะไรเราก็จะไปบนว่าทุกทุกทุกทุ ก, ท ก, ทกต้องหาเหตุของมันให้เจ อ, อเราไปบ่นหุกนวันไปตอนนี้นกาลังควันเมฆหมอกพีเอ็มสองห้าอันนี้มันผลมัน และเหตุคืออะไรก็เราไปขอป่ามถึงได้เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันเป็นผลทุกข์มันเพราะอะไรทุกข์เป็นต้นเหตุทุกทุกคนี่คือผลสมบุทัยเป็นเหตุเราไปนบนที่เหตุเราไปแค่ที่มนบนที่ผลเพราะมันเพราะนั้นเหตุกับผลนั้นสองคำง่ายๆแล้วก็ความจริง ที่ยพยายามพูดหรือเสมอต้องพิจนรณาตั้งเกิดแล้วก็ผลแล้วก็ความจริงต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องเข้าใจให้ได้แต่รูปร่างกายสันการของเราที่มันมีทุกอยู่ี่ก็เพราะเหตุของมันเราจงมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่ยังไม่เคยเจอยังมีพบมีชาติอยู่นี่แค่ก็มันมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีทุกข์มันจะไป ไ, ได้ไหมชาติ จลาพยาธิมรณะก็เม็นกระบวนการเป็นขั้นตอนของเขาอย่างนี้ทุกผู้ทุกนามไม่มียกเวน้นถือว่าบอกว่าศาสนาของเราถือว่าโชคดีคนของเราถือวโชคดีเด็กพราะพวกเราอย่ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการยังมีอีกหลายคนที่เข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็อยู่ไปวัน เช้ากลางวันค่าแล้วก็มืดวงจรชีวิตอยู่อย่างนี้โดยไม่รู้ว่าเช้าจะต้องทําอะไรกลางวันทําอะไรบ่ายทาอะไรคือไว้ต้นทําอะไรไวักลางทําอะไรไว้สุดท้ายบัดปลายจะต้องทําอย่างไรอย่างนั้นมาชีวิตมันจะสูญเปล่ามันจะไม่ได้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยขาดทุน หนักไปก็นั่นก็คือเมื่อชีวิตอยู่ในความมืดแล้วมองอะไรไม่ออกไม่มีต้นทุนก็คือบุญกุศลนี่แหละไม่มีต้นทุนที่จะไปต่อข้างนอกไปจะไปทำอะไรกลับมาเหมือนเดิมมีขันห้าเหมือนเดิมจะทำอะไรได้ได้สิงสารราษฎรในขณะกลับมาเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าต้นทุนไม่เหมือนกัน กขนหายไปบ้านค้าหาไปบ้างตาหายไปบ้านอันนี้หนักสวัสดิเกิดมาสมบูรณ์ฐานะทางสังคมปัจจัยสีไม่พร้อมไม่มีเลยบางคนปัจจัยสีไม่มีเลยต้องอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้กระท่อใต้สะพานร้อยอันนี้ปัจจัยสีไม่มีเลย เพราะนั้นถ้าเราพิจนารณาอย่างราพ่อเร็นยังไชีวิตเราแตกต่างกันีงก็อารมณ์พอเพราเราไม่ได้รู้นคุณออ่อยไม่ได้ศึกษาไม่เห็นความแตกต่างก็ยอมรับชะตากรรมคือไปโทษกรรมกรรมลราทรมาแค่นี้เป็นเรื่องกรรมเก่าอย่าไปพูดถึงกรรมใหม่มันแก้ได้กรรมปัจจุบันมันแก้ได้ เราระยอมรับใช้กรรมวันนั้นก็แปลว่าสองพันกว่ปีไม่เราก็ไท่ต้อทอะไรใช้แต่กรรมเราไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าให้แก่กรรมปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันคือปัจจุบันธรรมคือเวลานี้เดีอนนี้วันนี้อยู่กับวันนี้ไม่อยู่กับเมื่อวานไม่อยู่กับผู้นี้ก็อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมคืออยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิต พบชาติก็มีอยทุกขาดจิตวตาสงสารก็มีอยู่ทุกขนาดจิ ต, ต, จตบุญบาปก็มีอยู่ทุกขนาดจิตไม่มีขนาะใ ด, ดที่ไม่มีคุณไม่ีบาปเราก็อยู่กันอย่างนี้มาตลอดเราก็อยู่เข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นจิตของคนใดก็ตามถ้ายังแยกไม่ออกคือยังไม่เป็นกลางไปแยกไม่ออกมันก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่กันไปตั้งแต่เกิดจนตายสุดท้ายไม่ได้เลย สิที่ทมาทั้งหมดเรื่องโลกจะไม่ได้ไเลยหรือนี่คือความสำคัญไม่ได้เลยแปลว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ีอะไรเลยจิตใจของเราบุญกุศลก็จะเป็นยังไง น, นั่นมันน่าไปตกควา้วุนมากกว่าเพราะนั้นแต่และคนพูกเราก็ขณะนี้แล้วเราควจะมีหลักประกันชีวิตคือมั่นใจ ว่าพิจารณาแล้วทบทวนแล้วถึงความดีของตัวเองระหว่างดีครับไม่ดีผู้สนกับผู้สนเราก็ต้อจะช่างน้ําหนักได้แล้วไม่ต้ อ, อ, องไปกังวลตอกองามผนึก ท, ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดได้เยอะได้สุดได้า ม, มากที่สุดทวีมาพยายามที่ที่เราคนกล้วยทาให้มากที่สุดที่เราได้โดยเฉพาะนก็คือการภาวนานเป็นบุญเยอะที่สุดศิน สมาที่ปัญญาตามลําดับเป็นการได้บุญเยอะที่สุดมากกว่าทานนับเท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรารักษาศินก็ดีตั้งสมาธิก็ดีมาธิตั้งใจเป็นสมาธินะไม่ใช่นาฬิกาโมราตาหรามันได้คือจิตตั้งใจสงบความหมายแล้วก็เกิดปัญญาคือรู้แจ้งในจริงตามความเป็นจริงได้บุญเยอะที่สุด เนี่ยตัวที่ผ่านกันเราแปลกใจไปดีแต่กลับมาอีกทีก็ดีกว่าเก่เาอันนี้ต่างหากเป็นปอาหมายของชีวิตของพวกเราที่เหลือไปแล้วที่ผ่านมาแล้วเตือนเป็นอดีตไปแล้วมันดีไปแล้วมันชั่วไปแล้วเช่นนั้นเพราะวันผ่านไปแล้วส่วนอนาคตเป็นองไรยังไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยเรารู้เราเจ็บก็โพดเราเหิวเราสุขเราเศร้าเรารู้หมดอะ แต่เราก็ไปคล่องแค่นี้เราคือไปติดกันแค่นี้มันวางอารมณ์ไม่ได้ตูเปขากับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจที่จะละทอนปล่อยวางอะไรได้สักอย่างมันกลายเป็นคล่องกลายเป็นติดกับสิ่งเหล่านี้ ก็ต um ้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นทุกวันเราต้องทํำสิ่งเหล่านี้มีคือีพื่อคุณสิ่งสมาธิปัญญาให้มันมาอกอยู่าที่จะมากได้อย่าไปคิดออกไม่เป็นไรเราไม่ได้ดิบเบียนใครแล้วดือดโคดใจไม่ดิบเดียนใจร่างกายปากมันไม่ฆ่าคนแต่ใจมันฆ่าคนอ่เพราะฉะนั้นสิ่งกับธรรมมันต้องคู่กัน รักษาแต่สิทธนี่คือรักษาภายนอกคือรูปรักษาธรรมคือรักษาภายในคือใจเนี่ยสองอย่างเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองต้องถือสัตว์ต้องมั่นคงต่อตัวเองที่สำคัญคือสัจจสัจจ์อธิฐานต้องมีไม่ใชเป็นเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งไม่ใช่ต้องมีกับตัวเอง ทือทำให้มันสอนโสตานะวันจริงจังจเป็นเรื่องเวลาเป็นสัจจบารมีสัจจอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตโดยพวกเยือพระสงฆองค์เลนก็เช่นเดียวกันมะงั้นมันนึกอะไรไม่ออกเลยเราสร้างบารมีสร้างอะไรบารมีเรื่องอะไรเพตอนนั้นท่านก็บอกให้มุ่งเอาอันใดอันหนึ่งอย่างใดก็ได้เช่นพระสงฆ์องค์เลนเช่นกิจวัตรข้อวัดหรือทุดงเข้าวัดปฏิบสัจจไอธิฐานสัจจะบารมีไอธิฐานบารมีกันติบารมี ทานบารมีอย่างนี้เป็นต้นจะเริ่มมาสร้างบารามีงั้นนก อ, อะไรไม่ออกเล ย, ยเยศ่นานบอกว่าเมื่อเดียวเป็นวัดอย่างนี้เป็นต้นปฏิบัติธรรมตำรวงหรืออื่นๆอะไรก็ตามที่เป็นศัจจาย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นศัจจบาลามีอธิษฐานบาลามีขันติบาลามีเราทำเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอาจจะได้จะสองสาสหบาลาี ก็มเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวห้องกันหมดนี่คือวันทานที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่ า, านปฏิบัติไว้อย่างนี้แลบอกว่าเป็นบาณานี้พระยะสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันทาา่านก็ปฏิบัติตัวอย่างนี้แม้จะเป็นอะไรก็ตามท่านเป็นมาหมดมันที่กับพวกเราให้ไ ม, ม่อะไรท่ไม่เป็นท่านก็บอกอีกแล้วว่าตัวท่านเองเป็นมาหมดดังนั้นพวกเราก็เหมือนกัน ไม่ต่างกันเลยจิตของพู้เราเนะี่มันเป็นมาทุกอย่างแล้วไม่เป็นไรที่เราไม่เคยเป็นเอาแค่สองพันกว่าปีไปแล้มันเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนสองพันกว่ามืกี่ชาติแล้วกี่พบแล้วที่เราเรยนว่าคือเปลี่ยนร่างคือจิตมันไปอยู่ในร่างผู้หญิงอยู่ในร่างผู้ชายอยู่ในร่างของสัตว์อย่างนี้เป็นต้นมันเปลี่ยนมาสารวัตรเปลี่ยนแลนะ้ว เมื่อในขณะดนี้ถือว่จิตเราดทีที่สุดแล้วมาอยู่ในร่างของคนของมนุษย์ถดอดีแต่โชคดายมาอยู่ในร่างของสัตว์โอ้หมดสปแล้วนขณะนี้ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นบารนีมาต่อยอดให้มันเป็นนื้อของคนแล้วก็มนุษย์มันเป็นพระเป็นพระก็เป็นพร ะ, พร ะ, พระอริยะหมายถึงจิต ท, ที่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้หมดไม่เว้น เพราะจิตมันไม่มีเพศมันเป็นอดความสําเร็จมันไม่ได้ยกเว้นว่าจะต้องผู้หญิงผู้ชายคารวะญาติโยมไม่มีเปลี่ยนแต่บารมีเราไม่ถึงแล้วก็ไปทอดแทนปอบเราเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ไม่พูดการกระบอกขึ้นแล้วทุกเพศทุกวัยจัดปวกก็ยังเป็นได้สําเร็จตายมาเป็นแล้วสิบห้าปีโกรกจะเป็นภรรยากานต้นกานแรกก็ อยู่แบบปกติเขาอยู่ปกติคือยังไม่ครอบครัวมีลูกมีหลานมีเด็กอย่างนายวิสาขาโซดาบันก็มีครอบครัวปกติพระราชามาบสัตว์เหมือนกันฟังแล้วได้โสดาบันแด้เขาก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานมาเกิดก็ปกติแต่เรื่องศินเท่านั้นมันชัดเจนจะไม่มีทางละเมิดเรื่องศินอันนี้คือข้อที่ชัดเจนสําหรับอันใดขั้นแรกคือโสดาบัน ชัดเจนเลยหมายกัว่าเอาชีวิต เ, เร็ยว อ, อยายะกันตัสินก็เอาชีวิตเป็นตัวเอาคอเป็นประกันอันนั้นคือมั่นคงแล้วถ้าไปไกลก็มั่นคงแล้วตราบใดที่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังอย่างเรายังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าไปในหน้ที่ดีสินวปนที่ปัญญาเราครบโอยบูรสมบูรณ์จย่างน้อยก็กลับมาที่เดิมเพื่อต่อยอดมันไม่ได้ต่ํากว่านี้หรือถ้าเจนมันสูงอยู่ในขั้น ของชาตมันก็ไปสูงแต่ว่าหมดแล้วสภาพกลับมาเหมือนเดิมอยดีน้าหน่อยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่ากลับมาที่เดิมคนนั้นก็ไม่ต้องไปปัชนาของคนนั้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่ที่เราปัจจุบันน่ะถือว่าดีที่สุดแล้วเป็นพบเป็นชาติที่ดีที่สุดเท่าที่มีเท่าที่เจดเราเคยอยู่กับรูกับร่างอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วคนโลกของมนุษย์นี้ เป็นโลกที่ดีที่สุดเพราะมีทุกอย่างให้เห็นสิงสารสัตว์ทุกอย่ากปากมองตาละพัดคนจนคนรวยคนชร า, า, ามีให้เราเห็นคุกตารางมีเห็นทุกอย่างออกมาอุปมาปไมให้เราเห็นพาพชาติอื่นนม่หนีนี่ถือว่าเป็นที่เป็นที่บําเพ็ญเพียรแต่ว่าอยู่ในสติปัญญาของพกเรา ถ้าติปัญญามไม่เกิดมันก็เฉยๆไม่ได้ไตบนเอ่เพือแต่วันไม่คิดว่าเราโชคดีต้องคิดใหม่ว่าเออเราโชคดีนะอันนั้นในความโชคดีจะไปตำของเรื่อย ๆ, ๆเรืเร่อยวๆวเราเป็นตายร้ายดีเป็นขึ้นชีวิตเป็นแล้วมันก็ต้องตายร้ายเสร็จแล้วมันจะต้องดีนี่คือว่าเป็นตายร้ายดีไม่ใช่เป็นเสร็จแต้ก็ยิ่งถ้า่ตัวยังไม่ตายไม่ใช่ ก็กินแบบร้ายกับรายย้ายเองมันไม่ดีเลยอือเป็นตายได้ดีใช้กับคนนี่แหละใช้กับมนุษย์นี่แหละใช้กับอื่นไม่ได้พวเราเทีวีช่วนี้เพราะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยลองพิจารณาทบทวนดูอันนี้นคือนะคุณของพระเจ้า น, นะคุณของพระธรรมนะคุณขอระรัชทรคุณของพ่อแม่คุณของพี่พ่คอพคุณทั้งหมดแล้วสักสิบนาทีเราดูว่าเรา โอโไ้ไม่ไม่ทําหน้าที่คือไม่ได้ยินเสียงตามันได้ดูหูไม่ได้ยินปากไม่ได้พูดแต่ใจมันอยู่กับสติดูไปเสพพักเด็กก็พิงเข้าพิงออกพิงเข้าพิ่ออกถ้าสติเราไม่แน่นพอใจมันก็จะออกไปข้างนอกพอคิดปุ๊บมันจะส่งออกไปข้างนอก น, นี้ลูกบวดดุจวัตถุส่งออกน่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าก็ดึงกลับมาอยู่อย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็สู้กันอย่างนี้เพราะนั้น ถ้าเราหยุดสมุดาเราพอหยุดเสียงเพิ่มเนี่ยมันทำํำหน้รที่กันดีจิตมานก็จะออกไปข้างนอกสักสิบนาทีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราก็ลอ ง, อ ล, องลองนั่งเ า, า, า้านาทักสิบนาทีเราได้เวลาแล้วดูว่าสมดุลจุดต่างเป็นยังไงเอาทุกคนคนเราลุนหายใจเขาออกพุทโธธรรสังฆ์นึกคุณผู้ชาวธรรมประสงค์ตั้งสติใช้เวลาประมาณสิบนาทีจากนี้ไปตั้งใจ